สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าพระเจอผีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับยอด subscribe ที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆพร้อมกับคำติชมที่เราน้อมนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการพูดนะคะหรือว่าจะเป็นการออกอักขระชัดถ้อยชัดคำนะคะแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลต่างๆที่เรานามาเล่าให้ฟังอาจจะมีผิดพลาดบ้าง เนื่องจากว่าการตรวจทานก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดแล้วก็รอบคอบสัญญาเลยนะคะว่าในอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะพยายามนําเนื้อหาที่เป็นบทความที่นํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะคะให้แม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์ต่างๆนะคะในช่อง YouTube ก็ได้อ่านทุกข้อความได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าก็อาจจะไปตามตอบคอมเมนต์ได้ ไม่ครบหมดทุกคนยังไงก็อย่าเพึ่งน้อยใจยก็แล้วกันค่ะสำหรับเรื่องเล่าพระเจอผีประจำวันนี้นะคะก็จะนำเรื่องของเหล็กไหลเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน เรียกว่าชื่อของเหล็กหลายเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันมานานถึงอนุภาพทางด้านคงกระพัณฑ์ชาตรีค่ะสยบพูดผีปีศาจแล้วก็สัตว์ร้ายนานาน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ครอบครองเพราะว่าผู้ที่จะสามารถครอบครองได้นั้นต้องอาศัยคาถาอาคมที่แกร่งกล้าแล้วก็บุญญาบารมีที่เปี่ยมล้นธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมชาติชิ้นนี้อยู่คู่กับท้องป่ามาอย่างช้านาน อย่างเช่นในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะคะก็มีกล่าวถึงให้ได้ยินในตอนที่กล่าวถึงสองแม่ทัพเอกของเจ้าเมืองเชียงใหม่อย่างเท้ากรุงการและก็ตรีเพชรกล้านะคะทั้งสองนั้นถือว่าเป็นยอดนักรบผู้มีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วร่างซึ่งระบุเอาไว้นคะว่าแขนขวาสักองนารายแขนซ้ายศักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยาคีขาซ้ายสักหมีมีกาลัง ศักขุระรูปพระโมคลสงฆ์พัควันปิดตานั้นศักหลังสีข้างศักอัคระณจังงังศีสะก็มีการฝังพลอยไว้นะคะแล้วก็เป็นเพชรนินจินดาพร้อมกับฝังเข็มเล่มทองไว้ทั้งสองไหลฝังเพชรเม็ดใหญ่ไว้เศกหน้าฝังก้อนเหล็กหลายในอุราข้างหลังฝังเทียนคลายแก้วตาแมวเป็นโปเปาฝนผี เรื่องของเหล็กไหลนั้นมีให้เห็นมานานแล้วค่ะผู้ที่จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตแห่งความดีงามที่แรงกล้าอย่างเช่นพระอริยสงฆ์ชั้นสูงโดยจะใช้เทียนไขไปลนเอาเหล็กไหลาจากเพดานถา้ำด้วยอาคมแล้วก็สมาธิจิตที่แรงกล้านั้น จากนั้นนะคะจึงให้สมาธิจิตสั่งให้เหล็กไหลนั้นแยกหรือว่ารวมกันหลวงพ่อสัมฤทธิ์ถือว่าเป็นผู้หนึ่งค่ะที่เดินทางไปเสาะหาเหล็กไหลาจากทั่วสารทิศท่านก็ได้ออกทุ่งตั้งแต่เขาชะกาันจังหวัดปราจีนบุรีเขาใหญ่นครราชสีมาเขาเขียวชัยภูมิเขาเคาะเพชรบูรณ์เลยไปถึงลำปางเชียงใหม่แม่ห้องสอนเพื่อฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งอีกทั้งยังเสาะหาเหล็กจากป่าต่างๆนะคะ ซึ่งมีเรื่องเล่าค่ะว่าครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางผ่านมายังป่าในแถบดอยอินทนนท์ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ เพียงแค่ผ่านเหยียบย่างเข้ามาท่านก็รู้สึกถึงความอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วก็เชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นที่สิงสถิตของเหล็กไหลซึ่งต่อมาตัวของท่านเองก็ได้ทําพิธีบวงสวงขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็องค์ผู้รักษาเหล็กไหลยอยู่เพียงไม่นานค่ะก็เกิดฟ้าฝนอย่างแรงขึ้นไม่ห่างจากจุดทําพิธีมากนักหลวงพ่อสัาฤทธิ์ก็พิจารณาได้ทันทีนะคะว่านั่นคงเป็นร่องรอยเกี่ยวกับเหล็กจึงได้ไปยังที่จุด ฟ้าผ่าปรากฏว่าพบเป็นเศษวัตถุสีดำเนื้อข้างในเนี่ยดูวาววับมีขนาดเพียงสองถึงสามนิ้ว ทันใดนั้นค่ะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีช้างตัวขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้ามายัางคณะธรรมพิธีนะคะซึ่งทุกคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดกันจ้าละวันยกเว้นหลวงพ่อที่มีสติกล้าแก่ท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ชูเศษก้อนวัตถุสีดำขึ้นช้างคลั่งตัวดังกล่าวค่ะก็ถึงกับหยุดชะงักแล้วก็หลบเลี่ยงไปทางอื่นในทันทีเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะ ซึ่งต่อมานะคะหลวงพ่อเองท่านก็ได้มอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนั้นให้กับพ่อเลี้ยงรัศมีขหบดีแห่งเมืองลำปางผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการทําพิธีครั้งนี้ซึ่งหลวงพ่อได้บอกว่านั้นไม่ใช่เหล็กไหลเป็นาธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุ ก, กามณีหรือสเก็ตของดาวเท่านั้นแต่ว่าเมื่อนําไปปลูกเสกนะคะจะให้คุณในเรื่องแคล้วคลาดแล้วก็โชคชะตาโชคลาภวาสนาแล้วก็ช่วยในด้านคงกระพันชาตรีด้วยสําหรับการค้นหา แหล็กไหลนั้นไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้นะคะจําเป็นต้องมีประสบการณ์เป็นอย่างมากอีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมติดตัวมากพอสมควรเพราะว่าเส้นทางในการค้นหานั้นมักจะอยู่ในบริเวณถ้าแล้วก็บริเวณป่าดงดิบค่ะซึ่งรายล้อมไปด้วยบรรดาพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สัตว์ร้ายนานาชนิดที่ผ่านมาก็มีผู้ที่จะต้องจบชีวิตในการค้นหาเป็นจนํานวนมากโดยจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีต เราอาจจะพอรู้ได้ค่ะว่าถ้ำแห่งไหนมีเหล็กไหลโดยวิธีสังเกตดังนี้นะคะอันดับหนึ่งค่ะก็คือถ้ำนั้นต้องสะอาดปราศจากมูลสัตว์ต่างๆอยู่ภายในอันดับสองถ้ำนั้นต้องมีอากาศเย็นและชื้นอันดับสามนะคะเมื่อเข้าไปในบริเวณถ้ำจะเกิดความรู้สึกน่ากเกรงขามแล้วก็เงียบสงบจนน่ากลัว 4. นะคะถ้ดังกล่าวมากักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอ5ค่ะ อาจรู้ได้โดยการบอกกล่าวขององค์เทพที่ดูแลอยู่โดยผ่านทางร่างทรง6นะคะหากว่าเป็นผู้ที่มีญาณสูงอาจรับรู้ได้โดยการนั่งกรรมฐานค่ะ เล็กๆถือว่าเป็นโลหะที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดจากวิญญาณที่มีบารมีสูงแต่ว่ายังไม่สามารถหลุดพ้นจนเป็นเทพได้จึงทําให้ถือกําเนิดมาเป็นโลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในธรรมชาติแล้วก็รอเวลาที่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ เหล็กไหลชื่นชอบที่จะ บ, บริโภคน้ําพึ่งป่ามีการขับถ่ายของเสียออกมาเรียกว่าขี้เหล็กไหลนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถนํามาปลูกเสกแล้วก็ทําพิธีสร้างเป็นเครื่องรางของขลังที่ใช้ป้องกันตัวได้นอกจากนั้นค่ะเหล็กไหลเองก็ยังมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมีการเสพกามดังเช่นสัตว์ทั่วไปแตกต่างตรงที่เป็นการเสพกามผ่านกระแสจิตโดยไม่มีการสัมผัสกัน ปกติแล้วนะคะเหล็กไหลมักจะชอบอาศัยอยู่ในถ้มที่เงียบสงบบริเวณป่าดงดิบแล้วก็มีพวกครุฑพญานาคหรือว่ายักษ์แล้วก็คนทันค่ะคอยให้การคุ้มครองเหล็กไหลมักจะมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ลักษณะเฉพาะซึ่งในตำราโบราณก็ได้แบ่งเหล็กไหลออกเป็น11ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือเหล็กไหลโกรดปีค่ะเป็นเหล็กไหลที่เกิดขึ้น จากการสร้างของฤาษีในยุคโบราณมีอำนาจสามารถทำลายอาถรรพ์เวทต่างๆผู้ที่ได้ครอบครองจะเป็นที่หวาดกลัวของพูดผีปีศาจแล้วก็ผู้มีอาคมทั้งหลายนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณด้านคงกระพันชาตรีป้องกันอาวุธทั้งหลายได้ช่วยในเรื่องของเมตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอีกทั้งยังเรียกทรัพย์สินเงินทองมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยค่ะ เหล็กไหลโกรดปีมีสีปีกแมลงทัพสีเขียวเข้มหรือสีฟ้ามีมันวาวเนียนชอบที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็อยู่ในป่าลึกนะคะเป็นเหล็กไหลที่ชอบปลีกวิเวกเหมือนเช่นดังพระฤาษีเชื่อกันค่ะว่าหากผู้ใดที่ได้ครอบครองแล้วหมั่นบำเพ็ญชานไปด้วยจะทำให้มีอายุขัยยาวนานเป็นหมื่นปีเลยทีเดียว 2ค่ะคือเหล็กไหลไพรค่ะเป็นเหล็กไหลที่พบกันมากเกิดจากเทพระดับต่ําจึงถูกผู้ที่มีตบะแก่กล้านําไปใช้จํานวนไม่น้อยโดยลักษณะคล้ายประหลอดยืดได้หดได้เมื่อโดนไฟก็จะมีสีดําหรือว่าเป็นสีเทาดําค่ะเนื้อผิวค่อนข้างหยาบไม่มีความมันวาวมีทั้งชนิดที่เป็นแม่เหล็กดูดติดแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติดขึ้นอยู่กับว่าบริเวณถิ่นกําเนิดนั้นจะมีแร่เหล็กมากเพียงใดมีคุณทางเมตตาชค โซคลาบแคลวคลาดกันภยัยแต่ก็มีข้อระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่าทำหลุดตกลงพื้นเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าผู้อารักขาเหล็กไหลจะเอากลับไปในทันทีนะคะอันดับสามคือเหล็กไหลเงินยวงค่ะ เป็นเหล็กไหลที่เกิดขึ้นจากเทพระดับอรูปฌานเป็นเทพที่มีบารมีธรรมสูงดังนั้นนะคะผู้ที่ครอบครองต้องเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในทางธรรมส่วนมากนักบวชทั้งหลายจะมีไว้ครอบครองโดยให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดแล้วก็ล่องหนหายตัวค่ะลักษณะของเหล็กไหลชนิดนี้คือมีสีขาวขุ่นเหมือนเงินยวงผิวเลื่อมมันพบมากในถ้ำแล้วก็ในป่าลึกนะคะ อันดนับสี่คือโคดเหล็กไหลหรือว่าเหล็กไหลงอกหรือเหล็กทรหดนะคะเกิดจากเทพที่มาเผชิญวิบากกรรมในโลกมนุษย์โดยมียักษ์และก็คนทันคอยให้การอารักขามีสีดำเลื่อมผิวละเอียดเมื่อถูกแสงจะสะท้อนมีรูปร่างที่คงตัวไม่ยืดหรือหดแม่เหล็กดูดไม่ติด หากบูชาให้ดีจะเปลี่ยนเป็นสีรุง้งมักพบงอกตามถ้ำที่มีความชื้นและเย็นมีคุณด้านเมตตาด้านโชคลาภแคลวคลาดกันภยัยมหาอุดคงกระพันถอนพิษสัตว์เขี้ยวงาต่างๆ อันดับ5้าคือเหล็กไหล ย, ย้อยนะคะเป็นเหล็กไหลที่เกิดขึ้นจากซากของเหล็กไหลเดิมซึ่งถูกทิ้งไว้เป็นเหล็กที่ไร้วิญญาณเหลือแต่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นบางครั้งค่ะเหล่ายักษ์หรือว่าอสูรมักพากันเข้าสิงสถิตเหล็กไหลประเภทนี้ต้องได้รับการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ที่มีอาคมแก่กล้าซะก่อนจึงทําให้กลับมามีอนุภาพอีกครั้ง เหล็กไหลย้อยชนิดนี้นะคะส่วนใหญ่จะพบในถ้ำป่าลึกเท่านั้นมีลักษณะสีดำหรือออกเทาดำหากว่ายังเป็นซากอยู่จะไม่มีความวาวให้เห็นมีความยาวตั้งแต่เป็นคืบจนกระทั่งเป็นวาแม่เหล็กดูดไม่ได้ไม่กินน้ำพึ่งเหมือนเหล็กไหลอื่นๆแล้วก็ไม่สามารถยืดหดตัวได้ หกค่ะคือเหล็กไหลเพลิงเป็นเหล็กไหลที่หาได้ตามถ้ำทั่วไปโดยจะฝังตัวอยู่ตามผนังหรือเพดานของถ้ำมีรูปร่างคล้ายผงฝุ่นสีแดงหรือน้ำตาลบางองค์นะคะอาจจะมีขนาดเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเหล็กไหลประเภทนี้มีอนุภาพในการสร้างภาพมายาหลอกหลอนให้ผู้อื่นหวาดกลัวหากว่าสัมผัสดูก็จะรู้สึกว่าร้อนเหมือนไฟนะคะ เจ็ดค่ะเหล็กไหลาตาน้ำเป็นเหล็กไหลที่มีต้นกำเนิดในถ้าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์จึงเป็นเรื่องยากนะคะที่คนธรรมดาจะสามารถนํำมาครอบครองมีสีเขียวปนดําเป็นมันด้านค่ะมีขนาดเล็กกว่าถั่เมล็ดถั่วเขียวผู้มีอาคมแก่กล้ามาขาเหล็กไหลชนิดนี้จากถ้าที่มีตาน้ำไหลผ่านโดยมักปนอยู่กับตะไครหรือหลบอยู่ตามซอกผา8เหล็กไหลเศรษฐี เป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากมากเพราะว่ามีถิ่นกำเนิดในถ้ำใต้น้ำเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาดานสร้างขึ้นลักษณะเป็นผลเกล็ดดำเงามันเมื่อต้องแสงไฟจะมีแสงระยิบระยับเหมือนประกายของเพชรมักจะปรากฏตามทานน้ำต่างๆในยามน้ำหลากนะคะ9ค่ะเหล็กเปียก อันนี้จะเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีขาวนวลคล้ายกับตะกัว่วเนื้อโลหะจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะในโบราณการนิยมนําไปประดับยอดเจดีย์เพื่อป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็ให้คุณในด้านคงกระพันชาตรีเป็นหลักนะคะสําหรับเหล็กเปียกนะคะลำดับที่10นะคะอันนี้จะเป็นขี้เหล็กไหลค่ะเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นจากเหล็กไหลเป็นเสมือนที่เหล็กไหลขับออกมามีรูปร่างกลมเป็นก้อนเล็กๆสีดําหรือน้ำตา แก่นะคะแม่เหล็กจะไม่ดูดแล้วก็มีลักษณะแข็งไม่ยืดหรือหดค่ะแม้ว่าจะเป็นมูลของเหล็กหลแต่ว่าหากนำไปให้ผู้ที่มีอาคมแก่กล้าปลุกเศกก็จะมีอนุภาพสูงล้ําตามแต่ผู้ถือครองประสงค์นะคะ อันดับที่11ค่ะคือเหล็กไหลาหนาคราชหรือว่าเหล็กไหลบดาลเป็นเหล็กไหลที่มีลักษณะคล้ายกับก้อนหินสีดำนินเงาเลื่อมเชื่อกันค่ะว่าเกิดขึ้นในแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ผ่านภูเขาสลับซับซ้อนอย่างแม่น้ําคงคาแม่น้ําโขงแม่น้ําแยงสีเกียงเป็นต้นนะคะแม่น้ําเหล่านี้ล้วนมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์นับร้อยลูกจึงมีอํานาจแห่งป่าสามารถป้องกันสัตว์และก็พูดผีต่างๆนอกจากนั้นยังช่วยในด้านคงกระพ ชาตรีแล้วก็แคลวคลาดปลอดภัยด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการแยกเหล็กไหลออกเป็นประเภทต่างๆโดยใช้ถิ่นกําเนิดของแต่ละแบบมาเป็นตัวกําหนดซึ่งในบนรรพการนั้นผู้รู้จริงจํานวนมากนะคะยังมีการแบ่งเหล็กออกตามรูปร่างแล้วก็น้ําหนักพร้อมกับสีสันอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยมักจะทําให้ผู้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหล็กไหลกันมากหากไม่รู้จริงจึงมีข่าวอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเหล็กไหลปลอมค่ะแต่สําหรับผู้ที่รู้จริงแล้วย่อมมีวิธีการในการ ดูเหล็กไหลไม่ยากเลยเพราะว่าธาตุอภพนิหารชนิดนี้จะมีอำนาจที่เหนื อ, อแสดงออกมาให้เห็นโดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหล็กไหลดังนี้ค่ะ 1. อยู่นิ่งเป็นปกติได้ 2. สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจ 3. สามารถหายตัวได้ 4. ปรากฏตัวตามที่ต่างๆได้ 5. เผาทำลายตัวเองได้ 6. อาวุธปืนยิงไม่ออกหรือระเบิดด้าน 7. ด ถอดวิญญาณออกนอกร่างได้ 8. เหล็กหลายบางประเภทยืดและหดได้ 9. ทําทำให้น้ำร้อนกลายเป็นน้ำเย็น 10. กินดินปืนฟอสฟอรัสแล้วก็ไฟ1 1รักษาโรคบางชนิดได้โดยการนำไปแช่น้ำมนต์สส่งกลิ่นหอมได้ในบางครั้ง 13. เปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวเองได้ 14. เหล็กหลายบางประเภทสามารถดูดเหล็กได้นะคะ ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นเพียงการตัดสินเหล็กไหลว่าเป็นของจริงหรือไม่เพียงเบื้องต้นโดยดูจากอิกทธิฤทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งความจริงแล้วค่ะยังมีคุณสมบัติอีกมากมายหรือบางคนก็อาจจะเลือกใช้วิธีทดสอบบารมีของเหล็กหลายแทน ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นข้อห้ามของผู้ครองเหล็กไหลไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยตนเองหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมด้วยก็ตามถือว่าเป็นการลบหลู่อานาจของเหล็กไหลและก็อาจจะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากการสังเกตลักษณะของเหล็กไหลแล้วนะคะยังมีสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลให้มาอยู่ในครอบครองเพราะว่าต้องใช้ผู้ที่มีตาบะแก่กล้ามาประกอบพิธีเท่านั้น หากเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นผู้ที่มีตะบะยังไม่แก่กล้าพอย่อมไม่สามารถที่จะดึงดูดเหล็กไหลได้อีกทั้งอาจจะเกิดอันตรายตามมาก็เป็นได้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วการอัญเชิญเหล็กไหลนั้นทําได้4วิธีด้วยกันก็คือเหล็กไหลาบารมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเชิญเหล็กไหลโดยผู้ที่มีบารมีสูงซึ่งได้ขออัญเชิญบรรดาเทพผู้มีฤทธิ์ที่อยู่ในสภาพของเหล็กไหลให้มาช่วยปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่มนุษย์เพื่อให้สามารถ สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในวันข้างหน้านะคะแล้วก็มีการตัดเหล็กไหลค่ะซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้มีอาคมแก่กล้านะคะมักจะา ทำกันอย่างมากเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จผลแต่ว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเท่านั้นโดยวิธีดังกล่าวจะเป็นการใช้การติดต่อกับผู้อารักขาเหล็กไหลเช่นเทพนาคราชคนทันอสูรหรือว่ายักษ์นะคะให้ยินยอมมอบเหล็กไหลให้แล้วก็ค่อยตัดเอาเหล็กไหลไปใช้ผู้ที่ทำพิธีต้องเป็นผู้ที่มีจิตสะอาดอยู่ในศีลในธรรมหากนาไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดเพศภัยตามมาในภายหลังด้วยค่ะ หลังจากที่ได้เหล็กไหลามาในความครอบครองแล้วนะคะผู้ครอบครองต้องปฏิบัติตามสั จ, จกรที่สาบานไว้ให้อย่างเคร่งครัดเพราะหากแม้ผิดคำสาบานเพียงครั้งเดียวเหล็กไหลก็จะไม่อยู่ด้วยบางคนอาจถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้นะคะ เทพพวามอบให้การที่จะได้เหล็กไหลามาอยู่ในครอบครองด้วยวิธีการดังกล่าวถือว่ามีน้อยคนนะที่สามารถทำได้ค่ะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีแก่กล้าทั้งในชาตินี้และชาติที่ผ่านมาหรือไม่ก็อาจจะเคยเป็นเจ้าของเหล็กไหลองค์นั้นในภพชาติก่อนผู้ที่มีบารมีในระดับนี้ย่อมเป็นผู้ที่รักษาศีลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วก็เมื่อรับเหล็กไหลไปแล้วย่อมต้องอยู่ในศีลในธรรมต่อไปนะคะ การที่จะได้เหล็กไหลามาครอบครองด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเทพที่สิงสถิตยอยู่ในเหล็กไหลนั้นได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนั่นก็คือวิธีแผ่บารมีทิ้งไว้เมื่อถึงเวลาจุตินะคะก็ได้ทิ้งเหล็กไหลดังกล่าวเอาไว้ในถา้าพร้อมทั้งอธิฐานให้ผู้มีบารมีสืบทอดต่อไปโดยในระหว่างนั้นก็จะมีคนทนันมียักษมีนาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นคอยรักษาแล้วก็เป็นสักขีพยานในการแผ่บารมีทิ้งเมื่อถึงเวลาจุด ค, คุณผู้ฟังคะตํานานเหล็กไหลนั้นยังอยู่คู่กับป่าดงดิบมาโดยตลอดทุกวันนี้ผู้คนจํานวนไม่น้อยที่ยังคงสาะแสวงหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมาประดับบา ร, รมีของตัวเองแต่ก็มีไม่น้อยเช่นกันที่ต้องทิ้งชีวิตในระหว่างทางเพราะถูกความอาถรรพ์ของป่าเล่นงานธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ถือว่าอยู่คู่ผู้ที่มีจิตใจสะอาดเท่านั้นหากผู้มีจิตใจสกรปรกได้ครอบครองก็ไม่ต่างกับการทําร้ายตัวเองค่ะ